แม่ชีแม่ชีหมออยู่ไหนเนะียกมือหน่อยมาทมบัดหรือเปล่าฮะประหมอเสริมซับมาทมบัดหรือเปล่าออกบาขนานี่ น, นิดหนึ่งประหมอเสริมซับดำรงรัฐ มากับพี่ชายเจ้าของบริษัทกำแพงเพชรก่อสร้างที่สร้างสะพานพระราม8มานั่งอยู่ตรงนี้มีครูมีคมณะนิสิต ท, ที่กำลังเรียนปริญญาโทจะจบภาคเรียนนล้ข้ามาวัดปฏิบัติธรรมกัน ก็มีผู้ปฏิบัติที่เข้ามารวมตัวกันรวมทวัดเย็น <c oughs> ไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่จะหาดูกันได้ไง่ายๆพ <c oughs> ระก็มารวมกันทวัดเย็นก็นหลายรูปส่วนหนึ่งก็ยังอยู่ที่วัดภูเขาทองที่นพระเยอะแล้วก็มากันอาจารย์ยกนี่ญี่ปุ่น น่นกัจีนสี่ร่างกามาทำอะไรกันแสดงว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆแหละอย่างน้นอยๆก็ส่วนตัวกับผมแลวตามาก็านั่งที่นี่ก็ <c oughs> แต่งชุดนักเรียนในเครื่องแบบตั้งก้หัวก้นคิ้ ว, วนุ่งห่มผ้าเหลือง ก็ศึกษาวิชาที่เรียกว่ากรรมฐาน mm hmm. ก็เชื่อว่าญาติโยมที่เข้ามาเป็นนักเรียนนอกเครื่องแบบ mm hmm. ก็คงจะไม่รู้วิชากรรมฐานแบบมหาวิทยาลัยเปิด mm hmm. จะเรียนกี่คนก็ได้แต่ที่สำคัญคือมันจบกี่คนตัวนี้สำคัญ สาเหตุที่ทําให้เรียนวิชานี้เพราะมันมีเหตุแห่งทุกข์นะก็คือตัณหาประธานกิเลสนะเป็นเหตุแห่งทุกข์เราเจเ้าเพลอไปคิดไปปรุงไปแต่งเป็นเหตุผลก็เลยทําให้เกิดทุกข์ขึ้นไปมันก็มีวิธนะีที่จะก้าวล่วงออกจากความทุกข์ได้ด้วยอย่าไปทิเส็นะ ว่าเราไม่ทุกมันเป็นการโกหกคาโตแต่เรานั่งตอนนี้หายใจเข้าหายใจออกก็ทุกข์จะตายอยู่แล้วต้องกระพริบตาต้องนั่งเปลี่ยนยทิศบทเดี๋ยกดทับตัวเองทุกข์จะตายอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงว่าเออมันไม่คุ้นจินมันต้องมาปรับเนื้อปรับตัวปรับกายปรับใจคืนนี้จะนอนอยังไงลองดูถ้านอนหลับก็เก่งอะถ้ามีศิลปะในการนอนยังไงก็นอนหลับ แต่บางทีเราไม่คุ้นเปลี่ยนที่นอนก็มีปัญหาทันทีดูสิทางนั้นเออจิตวิเราก็โตจนป่านนี้แล้วไงแปลกที่แปลกทางไม่ได้ฉันข้าวเย็นไม่ได้ทานข้าวเย็นมีปัญหาอีกแล้วสรรพัดแหละทิมจะามาเป็นความทุกข์มีกายก็ทุกข์วากายมีจิตมีใจก็ทุกข์ว่าจิตใจอย่างเงี้ยเรามาเรียนรู้ พอดีให้ก้าวล่วงออกจากความทุกขนะ์เพราะจิตวิญญาณเนะี่ยมันต้องมีนะอิสระภาพมีเสรีภาพอิสระที่จะใช้สิทธิ์ไม่ทุกข์โกรดเปลี่ยนเป็นไม่โกรธนะทุกข์เปลี่ยนเป็นไม่ทุกข์นะต้องใช้สิทธ์อดหงุดหงิดขี้น้อยใจกังวลอิจฉาหริษเจียกลุ่มดีกลุ่มลายเรามีสิทธนิะ์ใช้สิทธิ์ ที่จะก้าวล่วงออกมาจากอารมณ์เหล่านั้นนะถ้ามีตาในที่มันลืมหูลืมตาสว่างสวัยพอนะมันก็จะเห็นอาการต่างๆที่มปรากฏมาอย่างชัดเจนตาเนื้อเราเห็นกันตอนนี้เห็นว่าถูกภายนตาในมันเห็นตัวเองนะเวลาจะทำอะไรทียังไม่ดีนะ ไม่เป็นไรไม่มีใครเห็นไม่มีคนเห็นตัวเองไม่ใช่คนแล้วไงมันไม่เห็นตัวเองก็จึงมาฝึกนะวิชากรรมฐานการเคลื่อนการไหวให้กายวัตถุรู้ธรรมยับยานเป็นเครื่องระลึกของสติให้สติจะเป็นนามธรรมมีความว่องไวมันตามรู้ให้มันกำหนดรู้เห็นเจตนารู้จนทางมันตต่นรู้ขึ้นมา เห็นจิตเห็นใจเวลามันมีความทุกข์จิตทุกข์ใจเป็นอาการของจิตที่แสดงออกเกิดดับเป็นพบเป็นภูมิมากมายที่ยิบทั้งวันเราก็จึงนี่แะมารวมตัวกันเพื่อศึกษาวิชากรรมฐานโดยเฉพาะฝึกการเจริญสติปัฏฐานแนวเคลื่อนไหว เ, เดินจงกรมยกมือสร้างจังหวะ14ีจังหวะ นะตอนนี้นะเราทำวัดจบแล้วทนะุกๆวันก็จะมีการสแสดงธรรมอาจสนทนาธรรมบางทีก็เปิดสื่อลงปู่เทียนนะซึ่งท่านมรณภาพไปแล้วแต่เสียงยังอยู่บางทีก็เปิดหลวงพ่อคำเขียนนะท่านเป็นประธานสงของวัดป่าสุกโตนะนะท่านเป็นประธานสงที่นะจ้างวัดจงังวาแระก็ต้องการเผยแผ่ วิธีการที่ท่านได้รับรู้รับทราบมาแล้วฝึกหัดปฏิบัติจนเกิดผลให้การนิชนคนรุ่นหลังนะประสงค์มู่งส่งต่างตมาเรรียนู้กันมาจากแดนไกลฝากตัวเป็นสิทธิ์ทีนี้เมื่อเราเกิดการปฏิบัติขึ้นมาก็มีประสบการณ์ใครก็ตามที่ปฏิบัติถูกแล้วก็เป็นสิทธิ์ของพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยถือว่าเราเคารพสูงสุดแล้วแหะเป็นศาสดาเอก เป็นผู้ที่ค้นพบแล้วก็บอกต่อเราเราก็อยู่ในยุคของท่านด้วยจะมีคำสั่งคำสอนคำชี้คำนำให้เราได้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างี้วิธีการใดก็ตามที่มีอยู่ในโลกนะในเมืองไทยเราก็สามารถที่จะเข้าถึงสภาวะหนึ่งเดียวกันได้นะจะช้าหรือจะไวก็ไม่เป็นไรอย่างนี้นะที่ประเตอนนีนะ้เรามีวิทยากร ถือว่าเป็นวิทยากรที่มาโดยเหตุโดยวยจาดใจนะที่อันนี้สองของเราทุกคนนะีวันนี้ได้มาร่วมถึงเวลาขณะนี้เลยที่เราจะจะได้ยินได้ฟังนะธรรมะนะซึ่งท่านก็ตั้งอกตั้งใจไปบัดนะเราที่มีการรู้สคือเป็นคนมีชื่อเสียงพอสมควรนะนะในเรื่องของธรรมะบางได้ยินชื่อเสียงของท่านมานานแล้วลนะ่ะ วันนี้ก็ใกล้อยากฟังธรรมก็ให้แสดงธรรมตามสมควรแก่ธรรมแก่กาและแก่เทศะต่อไปเพื่อให้ญาติธรรมทั้งหลายได้เกิดศรัทธาเกิดกำลังใจเห็นทิศเห็นทางที่จะนำไปปฏิบัติเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิตดำเงชีวิตต่อไปก็ขอเชิญ กราบนมัส ก, การพ ร, พระคุณเจ้าทุกรูปนะค ะ, คะแล้วก็ธรรมสวัสดีกับนักศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าไหมคะเออก็ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดหลักสูตรเพื่อให้เข้ า, ขามาได้ปฏิบัติธรรมนะคะ โอกาสเช่นนี้ไม่ได้มีได้ง่ายๆนะคะสมัยก่อนรุ่นก่อนๆเ น, นี่ยเขาจะยังไม่เห็นความสำคัญของพระธรรมนะะของการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนนะคะตอนหลังก็คงเห็นความสำคัญของพระธรรมมากขึ้นนะคะจึงจัดให้มีการเรียนและมีการปฏิบัติซึ่งจัดไว้ในหลักสูตรน ะ, ะแต่ก็คิดว่า หลายคนคงมาเพราะเป็นหลักสูตรนะฮะต้องปฏิบัติจึงจะได้คะแนนผ่านวิชานี้นะคะแล้วก็อาจจะมีจำนวนไม่น้อยที่สนใจปฏิบัติธรรมอยู่แล้วนะคะอย่างไรก็ตามถึงเราจะไม่สนใจธรรมะนะคะแต่อย่างน้อยการได้เข้ามาในวัดเนี่ยจะไดรร้รู้จักสิ่งอื่นที่เราไม่เคยคิดว่าสาคัญนะฮะและตอนนี้อาจจะยังไม่คิดก็ได้ นะคะแต่วันต่อไปข้างหน้าเวลาเราเจอทุกเราจะรู้ว่าเรามีสถานที่ที่เราเข้ามาพึ่งพาอาศัยได้เคยมีคนที่รู้จักนะคะเคยไปที่สวนโมกด้วยน ะ, ะโดยที่เราไม่ได้รู้จักเขาแต่เขาก็ไปกับเพื่อนนะคะและต่อมาอีกหลายปีจำไม่ได้ก็เพื่อนเขาก็บอกว่าเพื่อนคนเนี้นะคะอยากไปที่สวนโมกแต่ตัวเพื่อนที่รู้จักกับเราที่เป็นคนแนะนำพาไปเนี่ยเขาไม่ว่าง เราก็บอกไม่เป็นไรไปกับป้าก็ได้นะฮะแต่ในที่สุดเนี่ยคือเขาก็ไม่ไปเพราะเขาคงไม่คุ้นกับเรานะคะอีกไม่กี่วันต่อมาก็ไปเดินจมน้าตายอยู่แถวแถวแม่น้าเจ้าพยานะฮะตรงไหนก็จาของเขาไม่ได้ mm. เพื่อนก็ถามมาว่า mm. เพื่อนคนนี้มาที่วัดหรือเปล่าก็คือไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยการมาครั้งนี้ถึงแม้อาจจะมีบางคนที่ยังไม่สนใจธรรมะเลยแต่มาเพราะเป็น เรียว่าหน่วยกิจที่ต้องทํานะคะแต่อย่างน้อยในอนาคตถ้ามีทุกข์เราจะรู้ว่ายังมีสถานที่วัดแห่งนี้เป็นสถานที่จะช่วยบรรเทาทุกข์ให้เราได้นะคะแต่ผู้ที่สนใจในการปฏิบตัติก็จะได้หัวใจของการปฏิบัติธรรมไปนะคะทุกคนทุกท่านคงทราบแล้วว่าคนเราเนี่ยประกอบด้วยสส่วนคือกายกับใจนะคะ ทางโลกหรือทางที่เราเรียนหนังสือมาจะเป็นปริญญาเอกหรืออีกกี่ปริญญาก็ตามเราก็เรียนแต่วัตถุเราไม่ได้เรียนเรื่องจิตใจถึงแม้แต่วิชาจิตวิทยาก็ยังไม่ได้เข้าถึงจิตใจโดยแท้จริงนะค ะ, ะนั้นธรรมะเท่านั้นที่จะทําให้เราพ้นทุกข์ได้หรืออย่างน้อยทําให้เราทุกข์น้อยลงนะคะเราคงไม่เป็นพระอรหันในชาตินี้แต่อย่างน้อยชีวิตต่อไปถ้าเราได้เริ่มสนใจปฏิบัติตัต้งแต่เดี๋ยวนี้ ชีวิตเราจะทุกน้อยลงนะคะคะขอโอกาสพิงก็จอแม่จีป้าหมอเสริมซับก็นะมีชื่อเสียงอยู่ในสายของส่วนโมกก็อย่าให้แสดงออกนะไปรู้ว่าที่นี่เขามีตาวินยูชนอยู่กันนักศาก็ต้องหรือนักปฏิบัติธรรมก็ต้องรู้แล้วนะว่ามาอยู่ตรงไหนการทำอะไรก็ตามก็เหมือนก็แก้ผ้าให้คนที่นี่ดูนะ น, น่าอาย <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นทางเดียวที่เราจะต้องเลือกทําก็คือไม่ทําความรู้สึกว่ า, วาเหมือนกับต้องการอะไรจากที่นี่ไปอันดับแรกเขาธรรมะบอกแล้วว่ามันไม่เหมือนกับว่าจับต้องได้แล้วต้องเอาเข้ามาไม่ใช่ไม่แต่ปล่อยแต่วางอะนะยิงวางก็ยิงว่างยิงเอาก็ยิงหนัก โยกไปวันๆจนจบคลอดสามวันให้ทําอะไรก็ทําไหวยซ้ายก็ซ้ายบอกให้นั่งก็นั่งไหว้ยืนก็ยืนบอกให้อยู่ก็อยู่บอกให้ไปก็ไปทําแค่นี้พอแล้วเราเห็นการเปลี่ยนแปลงมันเออแปลกดีพอติเราเคยยึดเคยถือนะการกินเกียดมากมายอํานาจนิยมวัตถุนิยมบริโภคนิยมตอนนี้มันกลายเป็นลดละเลิกแล้วมีกายมีใจมีความสุข มันมีกระบวนการมีวิธีธทรมมีหลักการนะที่เราน้อมเข้ามาปฏิบัติเลิกเหมือนกันทุกคนธรรมชาติก็ต้องปรากฏออกมานะนะ